หลวงตาพาทำบุญประชาชนคนทำมาหาเหลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวจำนวนมากที่เชื่อในบุญกุศลที่หลวงตาพาทมและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมจึงไม่มีใครตรณีไม่มีใครเสียดายต่างมาร่วมทากองบุญใหญ่กับหลวงตามีมากมีน้อยก็ถวายร่วมบุญกับท่านตามกำลังไม่ให้เดือดร้อนกับตัวเองและครอบครัวหลวงตาสอนให้เรารู้จักทาบุญ